เรื่องภิกษุโง่เขลาสอนซ้อมพวกภิกษุผู้โง่เขลาไม่ฉลาดสอนซ้อมพวกอุปสัมปทาเปกขะถูกสอนซ้อมไม่ดีก็สะทกสะทานเก้อเขินไม่สามารถตอบได้ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไม่พึงสอนซ้อมรูปใดสอนซ้อม ต้องอบัตทุกคนกพิษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิกษุผู้ฉลาดสามารถสอนซ้อม